4การทำงานของจิตวงเล็บเปิดยี่สิบเจ็ดเมษายนสพันห้าอยห้าสิบเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีห้าสิบห้าวงเล็บปิดสังเกตไหมแต่เดิมมันไม่มีอะไรมันมีเสียงมากระทบหูแต่เรายังไม่รู้ว่าเสียงอะไรใจมันก็แหวกตัวผุดขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงไปกระทบเสียงคราวนี้ถึงมันจะแปลได้โอ้นี่ลูกเรามีเสียงแล้วหายใจดังอะไรอย่างนี้ พอลูกเราหายใจดังใช่ไหมขั้นต่อมาชักจะเป็นห่วงแล้วการทำงานของจิตมันจะทำอย่างนี้แต่เดิมอยู่ในภวังไม่ได้ขึ้นมารับอารมณ์ภายนอกมีเสียงมายั่วหรือมีรูปมีกลิ่นมีรสมายั่วนะมันก็ค่อยไหวตัวขึ้นจากภวังจิตขึ้นมาจากภวังมารับรู้อารมณ์ภายนอกแต่ตอนที่มารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายครั้งแรกเนี่ยนะมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นมันไม่รู้ว่าคืออะไร มันมารู้เพราะว่าจิตมันทำงานอีกครั้งหนึ่งถึงจะแปลออกมาได้ว่าอันนี้คืออันนี้เพราะมันแปลได้แล้วมันก็เริ่มตัดสินให้ข้าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบนะแล้วจิตถึงเกิดกุศลอกุศลขึ้นมานี่วิถีของจิตเป็นอย่างนี้พอมันเกิดกุศลอกุศลนะก็เรียกว่ามันไปสวยอารมณ์แล้วเช่นมันเป็นห่วงลูกนะห่วงอยู่ช่วงหนึ่งจิตจะลงผวังอีกเดี๋ยวก็ขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็ลงอีก ขึ้นลงอยู่อย่างนี้ทั้งวัน